พระเจ้าที่เขาเรียกกันทั่วทัวไปในพวกอื่นเขาเรียกว่ากออะไรก็ตามในชาตินาถอื่นเขาเรียกว่ากอเราไม่เรียกว่ากอดเราเรียกสัส้นว่ากฎกฎนี่มันเป็นภาษาไทยที่สั้นน้อยกฎของธรรมชาตินะคว่ากฎในความหมายนี้คือสิ่งที่ใครตั้งให้ไม่ได้ถ้าใครตั้งให้หรือมีอะไรมาตั้งให้ไม่ใช่กฎเช่กฎวิทยาศาสตร์ กฎวิทยาศาสตร์ในปั จ, จุบันไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ตั้งให้มันเป็นกฎของธรรมชาตินักวิทยาวิยาศาสตร์รู้แล้วมาบอกเด็กนักเรียนว่ากฎวิทยาศาสตร์ก็นั่นเป็นอย่างนั้นนั่นพระเจ้ามาตั้งกฎไม่ได้ถ้ากฎเป็นสิ่งที่ตั้งได้สิ่งนั้นไม่ใช่กฎกฎของอิทธิปฏจยาตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัจจะความจริ ง, รงของธรรมชาติที่เรียกว่ากฎ อีทัปปเจตาจะเป็นพระเจ้านะครับเป็นเจ้าในพุทธศาสนายิ่งไปแต่ต้องก็จะยิ่งนับถือยิ่งไปที่สูจนไปที่สูจนทดลองก็จะยิ่งนับถือไม่เหมือนกับพระเจ้าแบบไยศาสตร์ยิ่งไปที่สูจนไปทดลองใครจะยิ่งสิ้นความนับถือ t h i n g s things, everything is impermanent everything change m u t can be transformed into the lotus And if you are not careful, the lotus can be, can turn into the mud. And mud and lotus inter are. Ah. The lotus is very fragrant and pure, but we know that the mud is in there. The mud has been transformed. So the suffering, the defilement that we experience. It can be transformed, but if you know that, you understand the teaching of i n t e r b e i n g between defilement and immaculation, and then you can get out. If I want to tell you, just tell me that it is easy to go from body to b o d e body to body, or from tree. แต่เรื่องที่เป็นัวใจของสั่งสอนนั่นจะตรงกันในข้อนี้ก็คือว่าทุกสิ่งไม่ใช่ตัวตนที่ปฏิบายิปีติย่อเรื่องตัวตนอไปต่างๆมีอิทธิมากมายโดยตามแบบแผง น, นิทายของตนของนนตนมันต่างกันเป็นธรรมดาแต่หัวใจของคําสั่งสอนก็จะดับทุกด้านให้มันตรงเป็นประยช์เดียวกันหมดว่าทําต้องพวงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนถ้าเราไม่กลัวยินดียินร้าย ตัวคูไม่มีทางเกิดเนี่ยประโยคที่สำคัญที่สุดถ้าเราไม่รู้สึกยินดียินร้ายตัวครูจะไม่เกิดได้ตัวครูซึ่งเป็นของหลงลืมแรงๆนะไม่อาจจะเกิดได้พขอจดใจอย่างนี้นจึงนถัดได้ว่าเอ้าวไอ้เรื่องตัวคูเนี่มันเป็นเรื่องมายาหรือวฟางนี่โดยมีตัวตนอยู่จริง เ, เป็นแต่เพียงความรู้สึกเท่านั้นค Is to meditate on the nature of uh, no birth and no death, the nature of nirvana. Nirvana means the the removal of all uh, concepts like birth and death. We have said that nirvana is not a promise. Nirvana is not. Something in the future that we will attain by the practice of today. Nirvana is already there. The true nature of reality. Nirvana is uh, the removal of all notions and concepts, including the notion of birth and death, permanence, and impermanence. แล้ท่านพิฆเนศหันนี่นําคําสอนของพระพุทธเจ้ามาที่สาระชัดๆที่สุดง่ายๆที่สุดก็คือว่าศา ส, สนาพุทธเนี่ยต้องสามารถปฏิบัติได้วันต่อวันในชีวิตประจําวันศา ส, สนาพุทธไม่ใช่ไปตั้งอยู่บนหิ่งไม่ใช่ไปศึกษาท่องตําราหรือว่าไปอา่านพระไตรปริฎกเก่งกาสามารถท่องกัต่างๆได้หรือเข้าวัดสวดมนต์และคิดว่านั่นแหละคือการเป็นพุทธศาสนิ ก, กชนผมว่าไม่ใช่เลยครับ ศึกษาดูแล้วก็เป็นวิถีชีวิตประจำวันที่ถ้าหากเราเพียงแต่มีสติอยู่กับตัวเองทุกครั้งที่เรามีความทุกข์กลับมาหาลมหายใจของเราเห็นยอดหญ้าที่ลมเย็นสบายพัดเช้านี้ <What is S 1> ผมก็เห็นศั <is> จธรรมสูงสุดของทั้งสองประมาจานี่เลยครับผมว่าสุธิชัยหยุ่นแปลผิด เนวาล่าคือการรีมูฟความคิดออกเนี่ยถ้าบอกว่าการเอาความปรุงแต่งออกอะใช่เพราะฟังดูท่านทิชนัทฮันไม่ได้พูดถึงความคิดแต่เนื่องจากเขาไม่รู้ว่าคิดปรุงแต่งมันเป็นคนละคำกัน จะอยู่ที่ไหนนิกายอะไรนะครับปฏิบัติตามมรรคไปก็สุดทางที่เดียวกันใครจะมาพูดกันไม่ว่าจะวัดป่านิสานหรือสวนโมกชายาก็จบเหมือนกันหมด กระบวนการอาจจะต่างกันท่านพุทธทาสก็คนก็จะบอกว่าอยู่ในสายปัญญาท่านก็ไม่ได้เดินทุดงอะไรแบบที่เราเห็นกันในพระ ป, ป่าแต่จบแล้วก็พูดถึงตัวกูของกูถ้ายึดถือว่าเป็นเสียงกู ก็ต้องยึดถือว่าเป็นหูปูอีกเหนือนกันนี่หลวงปู่ล่าหลวงปู่ล่าตาทิพนาดูซิเหมือนกันไหมล่ะอยู่ภูเจาก็กับชายาไม่เคยเจอกันนะต่างคนต่างปฏิบั <Okay. S 1> ติยึดถือว่าเป็นตาปูไปยึดถือว่าเป็นลูกปูอีกเนือนกัน กูไปกูมาก็หากหนักสินี่อะไรก็ของกูของกูเหมือนนกเขาีี่นไปจับตัวไหนก็ของกูของกูของกูอยู่สินี่ตาก็ตากูหูก็หูกูถ้าหูหลวงแล้วกูก็ไม่กูก็เสียใจสินี่ถ้าตากูบอดแล้วกูก็ต้องเสียใจสินี่นั่นกายก็กายกูสินี่ถ้ากายกู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 ใครไปใส่ชื่อหรือนามบอกหนี้ก็จิตใจไปใส่ชื่อหรือนามให้สมมตินามังไปว่ชื่อมันใครไปใส่ชื่อหรือนามให้ว่าจมูกลล่นกายก็จิตใจเป็นผู้ใส่ชื่อให้ตามสมมติแตตตาเขาก็ไม่รับตอบเขาก็ไม่ไปฏิเสธ ท่านไปท่านเป็นผู้ใส่ชื่อนามให้ผมชื่อว่าตาผมก็พอใจแล้วครับหรือผมก็ต้องปฏิเส ธ, ธตามันก็ไม่ได้ว่าหมจะมูนเวียนก็เหมือนกันกายก็เหมือนกันที่นี่ใจทีนี่ตาไม่ตาผมจหมุกเวียนกายไม่ตอบแทนเออดีแนละ้ว ท่านมาใส่ชื่อนามให้ผมมาตามนิจิมุกิ่มการผมขอประเดชทุกคุณผมจะตอบแทนพระคุณของท่านผมแกะใส่ชื่อท่านว่าใจตาฮุจิมุกลิ่งก็ไม่ได้ว่าอี<ๆ>ตกหลงใจก็เอาโขนสวมหัวจนเองว่ใจใจนั่นมันมีใครใส่ชื่อยนามให้ นี่เป็นอุบายเพื่อจะแยกแยกออกจากเราเขาสัตว์บุกคลเข้าใจเป็นผู้เขียนเขียนว่าตาเขียนว่าหูเขียนว่าจมูกเขียนว่าริมเขียนว่าตายเขียนว่าใจแล้วไม่รู้จะลบที่นี่ต้นหากใครมาจนหากฟักเอง จนหากไปฟ้องเขาต้นหากเสียเงินจนหาก lan, ติดคุก uk, ก็คือใจเมื่อไม่รู้เท่าใ จ, ใ, จใจก็เป็นทุกข์อยู่ที่ใจสิ่งเหล่านั้นทำให้มารับสุขทุกข์ด้วยทำมเในมารับสุขทุกข์อุเบกขาด้วยใจไม่รู้เท่าใจใจก็เป็นทุกข์อยู่ที่ใจใจรู้เท่าใจใจก็มาเป็นทุกข์อยู่ที่ใจ ใจไม่ปฏิบัติใจใจก็มามีข้อวัดนอกจากใจไม่มีอะไรจะปฏิบัติใจและไม่มีอนใดจะรู้จากใจและไม่มีอะไรจะหุดพ้นจากใจนอกไฟเห็นรูป ก, ก็จะเอารูปในยินเสียงก็จะขอดเอาเสียงดมกลิ่นมาก็จะขอบ จะหอบเอากิ่นที่นี่รถมาก็จะหอบเอารถทีนีก็ไม่มีที่ปมที่วางเพราะไม่สงคืนอะไรก็เอามดก็ไม่มีที่ใสที่นี่มันมีที่วางเพราะมันขับโลกที่นี่ ไม่ไี้เลยที่วางสิละคนนั่นก็เอาคนนี้ก็ต้องเอาไม่มีที่วางสนี้สมมุติก็จริงจริงตามสมุติไม่ได้ไม่ได้เอามาข้ามลิมุดลิมุดก็จริงตามลิมุดไม่เอาแต่ข้านามสมุติเมื่อไม่หายกินทางฝ่ายข้านงานก็ไม่มีสิต้องการเห็นคุณพระพุทธธรรมประสงค์ก็เห็นแต่ไม่ยึดถือเอาเป็นเจ้าของ ต้องการเห็นลมหายใจเข้าออกก็เห็นแต่ไม่ยึดถือเอาเป็นเจ้าของต้องการเห็นเจตใจ ก, ก็เห็นแต่ไม่ยึดถือเอาเป็นเจ้าของต้องการเห็นอดีตอนาคตก็เห็นแต่ไม่ยึดถือเอาเป็นเจ้าของต้องการเห็นสุขทุกเวทนาอเบีขาก็เห็นแต่ไม่ยึดถือเอาเป็นเจ้าของ จะข้ามเวทน be าทัา้งหลาย <Huh? S 1> ได้ด้วยความไม่ยึดถ <ox> ือว่าเวทนาเป็นตนจนเป็นเวทนาจะข้ามสัญญาได้ด้วยเมื่อยืนยันว่าสัญญาเป็นตนจนเป็นสัญญาจะข้ามสังขารได้กด้วยไปยืนยันมาจนเป็นสังขารสังขารเป็นตนจะข้ามใจได้ด้วยปัญญาอันชัดก็เพราะไม่ยึดถือว่าใจเป็นตนๆนเป็นใจ ดงการข้ามไปเสียทุกอย่างภิกษุทั้งหลายสิ่งสิ่งนั้นมีอยู่เป็นสิ่งซึ่งในนั้นไม่มีดินไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่มีลมไม่ใช่อากาศสารานจายตนะไม่ใช่วิญญาณานจายตนะไม่ใช่อากินจัญญายตนะไม่ใช่เนวะสัญญานาสัญญายตนะไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่โลกอื่นไม่ใช่ดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์ ทั้งสองอย่างในกรณีอันเดียวกับสิ่งสิ่งนั้นเราไม่กล่าวว่ามีการมาไม่กล่าวว่ามีการไปไม่กล่าวว่ามีการหยุดไม่กล่าวว่ามีการจุติไม่กล่าวว่ามีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นไม่ได้ทั้งอยู่สิ่งนั้นไม่ได้เป็นไปและสิ่งนั้นไม่ใช่อารมณ์นั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์ละ ใครจะพูดได้ครอบคลุมในสภาพนามธรรมที่ไม่ใช่นามธรรมที่เป็นนิพพานก็ต้องอาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้าที่จะพูดครอบไปทั้งหมดสิ่งนั้นมีอยู่เป็นสิ่งที่ไม่มีดินถ้าพูดแค่นี้เราคิดถึงอะไรครับดิน ดินปลูกต้นไม้นี่ไงดินดินกายเนี่ยดิ น, น, ด, น, น, ด, นดินน้ำไฟลมก็นี่ไสิ่งนั้นไม่มีเมื่ออวิชาเป็นวิชาไม่เกิดการปรุงแต่งอารมณ์ไม่มีสังขารไม่มีนามรูปดับ ในผู้ที่มีจิตเข้าถึงสภาพนิพพานจึงไม่ดําริตริกดินน้ําไฟลมขึ้นมาในใจอีกมาเป็นของเราอีกสิ่งที่มีอยู่ก็เป็นธรรมชาติที่ไม่ได้ถูกยึดถืออยู่แล้วกายนี้กบขันนี้ก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นไปตามสภาพของวิบากในขันของมันอยู่แล้วเมื่อไม่เข้าไปยึดถือก็เป็นธรรมชาติหนึ่งเหมือนกับทุกๆชีวิต ทำไมครอบครัวถ้าคนในครอบครัวของเราเสียชีวิตเรามีความทุกข์มากแต่เราอ่านหนังสือพิมพ์บ้านอื่นๆเขาก็ตายกันอุตลุดโดนระเบิดที่ยะลาที่ไอริกาเดนอะไรเนี่ยลองเปลีป่ยนเป็นครอบครัวของเราข้างในสิไม่ใช่แบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามมันไม่ดําริตริตรขึ้นมาเป็นเราเป็นของเรามันไม่มีทุกข์ เราเห็นคนอื่นเป็นธรรมชาติน่าเสียดายน่าสงสารน่าเสียนใจแต่ก็เป็นธรรมชาติเนะอ น, นิจจังแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นครอบครัวเราไม่มีอ น, นิจจังอ น, นิจจังไม่ได้ถ้าบ้านกูต้องอยู่แบบชั่วนิดนิรันดร์คือต้องไม่เปลี่ยนแปลงใครเป็นยังไงต้องเป็นอย่างนั้นภรรยาก็บอกเธอเปลี่ยนไปนะเอา เราชั้นเป็นนิจจังแล้วเธอไม่เปลี่ยนไงฉันไม่เปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนก็ไม่ใช่ดี๋ยวนก็อยู่นอกกฎไงออก็งง อ, อยู่ในกฎกันหมดแหละในที่นั้นไม่มีดินน้ำไฟลมก็คือไม่มีการหยั่งไม่มีการดำริติตึกขึ้นมาจะเป็นอะไรก็เป็นสภาพธรรมชาติเข้าใจได้ ไม่ใช่อาการสานัญจายตนะไม่ใช่วิญญาณัญจายตนะตรงนี้เริ่มเป็นคือในดินน้ำไฟลมเรานั่งสมาธิสมมติว่าเราค่อยคเมื่ อ, อกี้สมาสมาธิที่ดูไปเนี่ยพอพ้นจาก oh. เขาเรียกรูปประชานนั่นอาศัยรูปคือลมหายใจเนี่ยเป็นวิหารถ้าท่านปฏิบัติไปสักพักหนึ่งก็จะขึ้นไปถึงฌานที่สี่มีสติธรรมชาติบริสุทธิ์เงียบสงบปราณีต ไม่มีการปรุงแต่งตรงนั้นเป็นสติที่เป็นธรรมชาติหลังจากนั้นไปนานๆถ้าฝึกต่อไปก็จะเข้าไปสู่อากาศสารานจายตนะทีนี้จะเริ่มพ้นรูปฌปานแล้วพ้นจากการอาศัยรูปเป็นเครื่องอยู่อากาศสารานจายตนะก็คือการใช้อากาศเป็นเครื่องอยู่แทนลมหายใจลสภาพของอากาศสานัจนจายตนะเนี่ยก็จะ เป็นอากาศแทรกซึมไปทุกๆ ท, ที่เลยในฌานนี้ก็จะสงบยิ่งขึ้นไปอีกเป็นนามธรรมาล้วนๆเป็นอารูปลนะพอผ่านอากาศสารนันใจยตนะก็จะเข้าสู่วิญญาณนันใจยตนะเป็นแค่ผู้ไปรู้อากาศยิ่งละเอียดลงไปอีกอากาศเริ่มหยาบเกินไปลนะผู้ไปรู้อากาศคือวิญญาณสารนันใจวิญญาณสานันใจยตนะก็จะเริ่มละเอียดเข้าไปอีกทีนี้จะเห็นแทรกซึมไปอยู่ในทุกๆ ท, ที่เลย ขยับเข้าไปขยับเข้าไปปานนี้ขึ้นไปปานนี้ขึ้นไปจนกระทั่งถึงเนวสัญญานาสัญญายตนามันจะเริ่มเห็นความจริงอะไรบางอย่างเหมือนกับว่าจะว่ามีก็ไม่ใช่นะถ้ามีใครสักคนตอนนี้เป็นมะเร็งขณะที่กําลังนั่งฟังผมเอางี้ดีกว่าเอ า, าง่ายๆดีกว่าทุกคนมีคนรักอยู่ ไม่ว่าจะพ่อแม่สามีภรรยาแฟนลูกอะไรก็แล้วแต่ขณะที่ท่านกำลังฟังผมหรือกำลังรู้ลมผมถามว่ามีลูกไหมไม่มีในใจถ้าตอบตรงๆคือไม่มีในใจแต่มีมีอยู่ที่บ้านแต่ไม่มีในใจพอไม่มีในใจมีสุขทุกข์กับมันไหมไม่มีถ้าผมบอกว่าขณะนั้นเนี่ย มันไม่เกิดการปรุงแต่งสิ่งนี้ขึ้นมาไม่ดาริตรึกสิ่งนี้ขึ้นมาแต่ถ้ามันดาริขึ้นมาปั๊บมันจะยึดเป็นของเราเลยมันจะกลายเป็นสุขทุกข์กับสิ่งที่มันดาริขึ้นมาทันทีหรือว่าตรึกขึ้นมาทันทีเพราะว่าสภาพของเรายังไม่ได้หวางแต่ด้วยความที่เห็นอย่างนี้เอ๊ะตกลงจะว่ามีมก็ไม่ใช่นะ แต่จะว่าไม่มีมันก็ไม่เชิงถ้าไม่มีอยู่ในใจเคยเห็นท่านพุทธทาสเขียนในคํากราบไหมว่าคือผมจําคําตรงๆไม่ได้แต่ท่านบอกว่าอย่าคิดว่าพุทธทาส ต, ตายให้ทําเสมือนท่านมีชีวิตอยู่ตอนเนี้ถ้าสมมุติว่าเราฟังคําสอนท่านพุทธทาสอยู่แล้วเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าท่านพุทธทาสท่านท่านมรณภาพไปแล้วเนี่ย ก็ไม่ได้รู้สึกว่าท่านจะเป็นจะตายแต่คำสอนก็ยังอยู่เหมือนเดิมต่อให้ท่านยังอยู่ที่สวนโมกวันนี้เราก็ฟังคำสอนเหมือนเดิมท่านไม่อยู่ก็เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นการตายการเป็นอยู่ที่การดำริตรึกขึ้นมาเฉยๆแต่มันก็มีอยู่จริงทีนี้มันเริ่มเข้าสู่ในวาสัญญาณาสัญญาญตระณะตรงนี้คือเฉาว่ามีก็ใช่เจ้าไม่มีก็ใช่ใชเอาละตอนนี้สัญญามันเริ่มง ง, ง, ง พอปฏิบัติไปถึงตรงนี้มันจะเริ่มงงๆในทุกคนมันจะเริ่มมีการถอดถอนสัญญาเก่าในความคิดว่าเรามีตัวตนมีตอนนี้มันเริ่มแวบๆพแแแิก น, นี่ยเนี่ยมันก็จะขยับขยับเข้าไปใกล้การบรรลุเข้าไปเรื่อยๆจิตก็จะเดินทางของเข้าไปอาจจะไม่เกิดในในการนั่งสมาธิ ก็คงแล้วแต่คนไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่โลกอื่นไม่ใช่ดวงจันทร์ไม่ใช่ดวงอาทิตย์คือไม่ใช่อะไรสักอย่างที่เป็นรูปนะแล้วก็ไม่ใช่ขันนี่ไม่มีการมาไม่มีการไปไม่กล่าวว่ามีการหยุดด้วย คือถ้าไม่มาไม่ไปก็ต้องหยุดแต่จะว่าหยุดก็ไม่ใช่อีกคือตกลงคืออะไรกันแน่เนี่ยไม่กล่าวว่ามีการจุติไม่กล่าวว่ามีการเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้บอกว่าตั้งอยู่แล้วก็ไม่ใช่อารมณ์ท่านดักไว้อีกคำหนึ่งคือแล้วก็ไม่ใช่อารมณ์ด้วยเพราะว่าวิญญาณดับไปละนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์ ไม่มีใครจะสามารถหาคำมาบล็อกเอาไว้ได้หมดซึ่งไม่มีประเด็นไหนที่เปิดให้เถียงได้เลยรูปปัจนก็ไม่ใช่ดินน้ำไฟลมก็ไม่ใช่อารูปก็ไม่ใช่ถ้าบอกว่าเป็นนามธรรมก็ไม่ใช่เป็นอารูปก็ไม่ใช่จะบอกว่าไม่มีการมาไม่มีการไปคำท่าเหมือนจะไม่หยุดด้วยอ้าวทีนี้เลยไม่รู้อะไรเลยก็ไม่มีอะไรว่าง จิตคือพุท ธ, ธะนะครับที่เราฟังมาเอาละก็ฟังไปเรื่อยๆก่อนฟังครั้งแรกก็ไม่เข้าใจฟังครั้งที่สองสามสี่มันก็ไม่เข้าใจอยู่ดีแต่ก็ฟังไปเรื่อยๆฟังไปก็ไม่ต้องไปคิดปรุงแต่งอะไรแเราทำพวกนี้มีใครคัดออกมาให้ฟังบ้างมันก็ไม่มีพระเจ้าตัดเรื่องนิพพานเอาไว้แต่ก็มีคนเอาไปพูดเรื่องนิพพานกันเยอะแยะมากมายจนกระทั่ง นิพพานในชีวิตประจำวันระหว่างวันนิพพานชั่วพริบตาอะไรนิพพานชั่วพริบตาชื่อคนคนพิคนไม่รู้ชั่วพริบตายังไงนะยังไม่เออคลอดเลยชั่วพริบตานะลองไปดูนะครับเพราะว่าฟังคำสาว ก, ก็ต้องระวังพูดได้คำเดียวมีโอกาสผิดเยอะ ถ้าพูดเรื่องนิพพานถ้าต่อให้เข้าไปถึงแล้วท่านก็ยังบอกเลยว่าการที่ใครออกจะอธิบายความว่านิพพานหรือสภาพของนิพพานเนี่ยมันจะเปิดช่องโหวตลอดอย่างเงี้ยไม่เปิดช่องโหวแต่ถ้าเมื่อไหร่มีคนอธิบายพยายามอธิบายเรื่องนิพพานจะเปิดช่องโหวเลยเพราะสภาพของนิพพานเนี่ยเหมือนท่านเนี้ยเราพยายามจะอธิบายตรงเนี้คนจะเถียงตรงนี้ได้คนจะพูดตรงนี้ได้พอไปพูดตรงนี้แก้ มันจะเปิดช่องตรงนี้ต่อแต่อย่างเมื่อกี้เนี่ยบล็อกทุกจุดเลยพูดไม่ได้เลยไม่รู้จะพูดอะไรไม่มีการมาไม่มีการไปงั้นก็หยุดไม่ใช่หยุดด้วยออแต่ถ้าเซนจิตนิ่งเป็นศิลาไม่มีการขยับอ้าวงั้นก็หยุดยมันจะเปิดช่องเลยเห็นสาวกมีข้อจํากัดเยอะ ในสภาาพอย่งแต่อย่างที่ผมบอกได้เขียนไว้ในคํานําของหนังสือก็คือว่าที่สุดแล้วเนี่ยความสําคัญอาจจะน้อยกว่าการจะพยายามอธิบายว่านิพานคืออะไรก็คือจะไปถึงได้ยังไงมากกว่าเมื่อถึงแล้วไม่ต้องอธิบายใครถึงแล้วก็จบกันแล้วก็ไม่คิดจะอธิบายใครฟังด้วยเพราะมันไม่รู้จะอธิบายไปเพื่ออะไรเพื่อให้ดูดีก็เปล่าเพื่อให้เขารู้ก็ไม่เกิดประโยชน์ ผู้ที่ถึงแล้วจึงเงียบเพราะไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลยพูดไปแล้วพอกลัวไม่รู้เลยไม่รู้จริงก็ไม่พูดต่อไม่แก้ไม่สนับสนุนไม่ค้านไม่อะไรทั้งสิ้นเพราะไม่เกิดประโยชน์ใดๆกับผู้ฟังแล้วก็กับความรู้สึกข้างในเพราวันนี้มีโอกาสฟังก็ฟังจะเถียงใครที่เขาถึงแล้วก็ไม่มีใครเขาเถียงด้วยเพราะไม่รู้จะพูดให้ไปทําไมแล้วก็ไม่จะเถียงไปเพื่ออะไร เพื่อใครเพื่อตัวใครตัวเราตัวเขาเขาก็ไม่ได้ประโยชน์เราก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่มีเราไม่มีเขามันก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรถึงกลายเป็นว่าพูดที่ถึงแล้วจึงไม่พูดอะไรทีนี้ก็เลยยึ่งไม่ต้องรู้เรื่องกันใหญ่แต่คำว่าไม่พูดอะไรไม่ใช่ไม่ออกมาสอนหรืออธิบายเปล่าคำว่าไม่พูดอะไรหมายถึงว่าไม่โต้ไม่เถียงไม่ทาอะไรไม่ไม่อะไรกับอะไรทั้งสิ้น ใครจะรู้สึกได้ยังไงแค่ไหนไม่โต้ไม่เถียงก็เท่านั้นแหละพูดไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไระเดี๋ยวเรากรวดน้ำตอนเย็นสักที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะได้ไปพักผ่อนนะครับเมื่อวานก็ไม่ได้กรวดคอคอน ทำกุศลแล้วนะครับก็แผ่เมตตาออกไปนะครับแผ่เมตตาออกไป